ให้พวกเข้าคอร์สรุ่นนี้เป็นไงบ้างในแค่เป็นพี่เลี้ยงเป็นไงไหวไหมรุ่นนี้มีติดสมถะไหมต้องแยกให้ออกนะเราเวลาภาวนาอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาตัวนี้สำคัญมากเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมตัวลอยตัวเบาอะไรเงี้ยน้ำตาไหล ปีติสู้ซาอะไรเงี้ื่อสมถตทั้งหมดนะหรือจิตไปนิ่งไปบ้างน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างหรือดับความรู้สึกลงไปบางทีก็เหลือความรู้สึกอยู่นิดหนึ่งดับโลกธาตุร่างกายหายไปโลกหายไปบางทีโลกธาตุไม่ดับนะแต่จิตดับมีแต่ร่างกายไม่มีจิตอะไรเงี้ย่เหล่านี้เป็นสมนถะทั้งหมดเลย ถ้าเราแยกไม่ออกเพราะว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาเนี่ยการภาวนาของเรจะตกไปสู่สมถะเป็นส่วนใหญ่ไม่ไม่ค่อยพลิกมาเป็นวิปัสสนาง่ายๆหรอกเพราะในสังสารวัตรที่ยาวนานเนี่ยนานๆจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นสักองหนึ่งแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาเนี่ยคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานถึงจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมามีแต่เรื่องสมถะกรรมฐานนั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เคยหายไปไหนเนละอยู่ตลอดแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่งแล้วมักจะเกิดไม่นานด้วยสมัยพระพุทธเจ้าชื่อวิปัสสีใครเคยรู้จักท่านไหมใครเคยได้ยินชื่อพระวิปัสสีพระสีขีพระเวสปูสามพระองค์นี้นะ พระวปัสสีนเมื่อเก้าสิบเอ็ดกัปก่อนพระสีขีพระเวสภูเมื่อสามสิบเอ็ดกัปก่อนจจีมีกองน้ำพระพุทธสะเมื่อสามสิบสองกัปไม่ค่อยมีใครพูดถึงตรงนี้ยคนลืมลืมสมัยพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสภูเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านแสดงธรรมคนเนี่ยบรรลุพระอรหันต์เยอะเลยบรรลุโสดาสกธาคาอะไรเนี่ยก็ได้เยอะ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปโผมาโลกไปเทวโลกโผลมาโลกพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้แล้วท่านไปเยี่ยมเทวดานะัยังเจอพวกนี้อยู่อายุเขายืนแต่ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดก็คือพอท่านเสด็จปรินิพพานแล้วนะพระวิปสัสสีพระสิขีพระเวสสูเนี่ยสาวกของท่านต่อศาสนาไม่ได้พอท่านหมดสาวกรุ่นที่ท่านฝึกไปแล้วนะัก็ศาสนาก็สูญไปเลย แม้อายุพระพุทธศาสนาแท้ๆอายุของการเจริญปัญญาพิปัสน า, ากรรมฐานแท้ๆนะสั้นนิดเดียวสมัยพระพุทธเจ้าเหล่านี้ยังสืบทอดมาได้ 2,600 ปีแล้วปนะีแล้วนะก็รอแร่รอแด่เต็มทีนะทำท่าจะหายมีหายแหล่อยู่เรื่อยๆคนลืมไปหมดแล้วเรื่องวิปัสนาบางคนเรียนนะไม่ลืมเรียนตำราไว้แต่ทาไม่เป็น เวลาลงมือทำนะกลายเป็นสมถะไปหมดเลยนะมาพระพุทธเจ้าพระโกนาคมนะัมณะเขาเรียกโกนาคัมโนพระกกุสันโธพระโกนาคัมโนนะพระกัก ส, โะโกโะกสโปรนะพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยพระโคตโมอันเนี้ยหลังจากปรินิพพานแล้วยังมีการสอนสาศาสนาสืบทอได้อีกช่วงหนึ่งนะแต่สี่องค์เนี่ยอยู่ในกลับเดียวกันนะในกลับเดียวกัน ยังไม่พ้นกับศาสนาพุทธขาดไปสามครั้งแล้วอยู่สั้นนิดเดียวนะขนาดว่าสืบทอดได้แต่ก็สั้นนิดเดียวไม่นานหรอกกับหนึ่งเนี่เวลาตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกทำลายถ้าพูดสมัยใหม่ตั้งแต่บิ๊กแบงนะจนจักรวาลดับนะนานมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติทั้่4องค์ฟังแล้วดีๆ แปลอีกทีหนึ่งก็คือาศาสนาแต่ละองค์แต่ลงไม่นานเท่าไหร่หรอกถ้ายังาศาสนายังดำรงอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ท่านก็ไม่ตรัสรู้งั้นคำสอนเรื่องมิปัสนากรรมฐานนะเป็นสิ่งที่พวกเราผู้เดินทางไกลในสังสา ร, รวัฏไม่คุ้นเคยหรอกเราจะคุ้นกับสมถะถ้าให้ลงมือปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติก็ทาสมถะเลย อัตโนมัติเลยคิดว่าทำวิปัสสนาก็ทําสมถะต้องเรียนให้ดีนะต้องฟังให้ดีจับหลักให้แม่นลักษณะของสมถะกรมกะกรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนั้นแตกต่างกันผลได้ก็ต่างกันสมถะ น, นั้นทําไปให้จิตมีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีทําไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีเวียนว่ายตายเกิดไปในภูมิที่ดีมีความสุขหรือยังไม่ตายนะัะก็อยู่ไปโลกมนุษย์เนี่ย เป็นมนุษย์ที่มีความสุขในมิปสัสนากรรมฐานนั้นทำเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของาธาตุของขันคือความเป็นไตรลักษณ์ของาธาตุของขันแม้สโคผมันต่างกันนะขอบเขตเป้าหมายต่างกันวิธีปฏิบัติมันก็ต่างกันอันหนึ่งทําไปให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขมีความสงบมีคุณงามความดีอย่างจิตมีราคามากไปพิจารณา ปฏิกูลพิจารณาสุภาษณ์มราคาสาเร็จจิตก็ไม่มีราคานี่เป็นจิตของคนดีจิตไม่มีราคาก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะราคะเห็นสงบสงบจากราคะไม่ฟุ้งซ่านเพราะราค า, า, า, ค า, เ, า, า, คาเป็นคนดนะีมีความสุขจิตสงบแล้วมีความสุขมีโทษามากนะไปเจริญเมตตาแผ่เมตตาไปบางทีก็แผ่ได้แคบแคบบางคนก็แผ่ โกรธคนนี้ก็แผ่เมตตาให้คนนี้นี่เรียกเมตตาปลมวิหารแผ่ไปให้คนนี้คนนี้หายกโกรธเขาเกิดความเมตตาความกโกรธถูกข่มไว้ดับไปความกโกรธหายไปก็เป็นคนดีไม่ชั่วเพราะกโกรธเป็นคนสงบไม่ฟุง้งซ่านไปเพราะความกโกรธมีความสุขขึ้นมาคนกโกรธไม่มีความสุขกิเลสมันเผาเร่าร้อน เนี่ยสมถนะน่าทำไปได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีอยู่ช่วงกำลังของสมถะหมดกำลังเมื่อไหร่มันก็กลับมาอีกกิเลนก็กลับมาอีกมันไม่ตายเพราะว่าไม่ได้ขุดรากถอนโคนมันครูบาอาจารย์ท่านเทียบการทำสมถนะนเหมือนเอาก้อนหินไปทับหญ้าไว้ยกก้อนหินออกเมื่อไหร่นะหญ้าก็งอกใหม่เนี่ยมันหญ้ามันเก่งรากมันยังอยู่ รากมันยังเยอะเหมือนต้นไม้บางต้นนะจากรากมันงอกขึ้นมาได้อีกตายยากพระพุทธเจ้าของเราเนะ่ยตัดสรู้ใต้ต้นโพดีนะต้นโพมันตายยากเมียพระเจ้ า, าโศกนะแ <Okay. S 1> อบไปขุดนะขุดทิ้งไ ป, ไปเผาไวนะ้เลยเหลือรากอยู่หน่อยนะพระเจ้ า, าโศกไปเก็บรากมาเพราะ <Okay. S 1> ต้นโพขึ้นมาได้อีกเนี่ย น่ากลัวเหมือนกิเลสเลยจะทำไมเอาต้นโพไปเทียบกับกิเลสมันก็ไม่ดีเนาะต้นโพเราก็กลับไว้สมถะนะข่มกิเลสได้ชั่วคราวเดี๋ยวก็มาอีกวัตถุประสงค์ก็ที่ข่มไว้ก็ได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีวัตถุประสงค์ตรงนี้วิธีทมนะทําไงจะข่มกิเลสได้หลักของมันจริงๆมีนิดเดียวให้น้อมจิตไปอยู่ในลมันเดียว แล้วรู้จักฉลาดในการเลือกอารมณ์เลือกอารมณ์อะไรแล้วสบายเอาอารมณ์นั้น อ, อย่างคนขี้โมโหน ะ, จะเจริญเมตตาอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ที่สบายสำหรับคนขี้โกรธก็ไปจเจริญเมตตาจิตอยู่กับเมตตาจิตก็ไม่โกรธคนมีราคามากอารมณ์ที่สบายสำหรับพวกราคามากก็คือเรื่องปฏิกูลเลื่องอาสุพะอะไรเนี้ยมุ่งไปที่อาสุภะดูมันไม่สวยไม่งามเห็นซากศพแล้ว จิตใจร่าเริงสงบจากราคะร่าเริงจริงๆนะใครเคยเห็นศพแล้วจิตร่าเริงบ้างมีไหมยกมือซิมีกี่คนซากศพเนี่ยนะเป็นดอกไม้ของพระอริยะเจ้านะเวลาพระอริยะทั้งหลายท่านเห็นซากศพนะจิต ท, ท่านร่าเริงนะไม่ใช่โรคจิตนะเออ เห็นบแล้วก็โอ้โหดีจังมันตายได้สะใจนี่ตัวนี้ขาดเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกจิตมันจะร่าเริงในธรรมะนะงั้นอย่างไปเห็นปฏิกูลเห็นอสุภะนะจิตก็มีความสุขมีความสงบได้ก็ทำสมถะได้รู้จักเลือกอารมณ์คนไหนฟุ้งซ่านมากก็อาจจะมาอยู่ลมหายใจหายใจไปเรื่อยหายใจไปรู้ลมหายใจมีสติรู้ลมหายใจไปนะลมหายใจนัมันไม่คิดมาก ลมหายใจไม่ต้องคิดคิดอะไรก็แค่รู้ลมหายใจไปสบายๆไม่เหมือนแผลเมตตานะียยังมีเจือคิดอยู่ไม่เหมือนพี่นาปฏิกูลสุภาเนะียมีการคิดอยู่ยงั้นคนฟุ้งซ่านมากถ้ามารู้ลมหายใจลมหายใจไม่ต้องคิดนะไม่ใช่ต้องคิดก่อนถึงจะหายใจได้ใจก็ไม่อยู่กับลมใจไม่คิดไปฟุ้งซ่านไปใจก็สงบคนไหนเป็นพวกศรัทธามากนะ คิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดถึงไปจิตใจมีปีติมีความสุขจิตใจก็สงบนะงั้นเคล็ดลับของการทําสมถะเนี่ยนะเคล็ดง่ายๆเลยอันแรกเลยต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันที่สองอารมณ์ น, นั้นอ่ะต้องเป็นอารมณ์ที่อยู่แล้วสบายสบายสําหรับเรานะไม่ใช่สบายสําหรับคนอื่นคนอื่นเขาหายใจแล้วเขาดีไม่ใช่ว่าเราหายใจแล้วจะดี คนอื่นเขาพิจารณาสุภาแล้วไม่ใช่ว่าเราพิจารณาสุภาแล้วจะดีไม่จําเป็นทางใครทางมันต้องเลือกเอาเองต้องดูเอาเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรอย่างต่อเนื่องนะแล้วจิตใจสบายจิตใจมีความสุขเราก็ไปอยู่อารมณ์ น, นั้นแหละพอมีความสุขอยู่นะสมาธิก็เกิดทําไมมีความสุขแล้วสมาธิเกิดธรรมชาติของจิตนั้นวิ่งหาความสุขตลอดเวลาที่จิตมันฟุ้งซ่านไปก็เที่ยวหาความสุขนั่นแหละวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรเนี่ย ไม่ได้วิ่งไปดูเพื่อจะหาความทุกข์นะไม่ได้วิ่งไปฟังเพื่อจะหาความทุกข์ไม่ได้วิ่งไปคิดเพื่อจะหาความทุกข์แต่วิ่งไปหาความสุขแต่มันหาไม่ได้ไปดูแล้วมันก็ไม่มีความสุขก็เปลี่ยนไปฟังฟังแล้วไม่มีความสุขก็เปลี่ยนไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดไปนึกอะไรให้มันเพลินเพลินไปเวลาครุ้มใจอยากคิดคิดเพลินเลินบ้างไหมใครเคยเป็นไหมเวลามีเรื่องคลุ้มใจสมมติว่าแฟนจิ้งอยากจะคิดเรื่องอื่นเป็นไหม แต่มันไม่ยอมมันจะคิดแต่เรื่องแฟนทิ้งนี่ถ้าคิดแต่เรื่องแฟนทิ้งจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวใช่ไหมได้สมถะไหมไม่ได้ไม่ไม่มีความสุขพยักหน้าสงเดชไปไห ม, ไหม <laughs> ต้องมีความสุขนะจิตถึงจะสงบถ้ามันมีความสุขนะจิตก็ไม่ต้องวิ่งไปที่อื่นนะ่จิตก็อยู่ในอารมณ์นะั้นและสบายไม่หนีไปที่อื่นความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะ ดังนถ้าเราจะทําสมสถนะนั้นต้องรู้จักเลือกอย่ามีอารมณ์หลายอันบางคนบอกจะพุโทโธด้วยหายใจด้วยเดินจงกรมไปด้วยนะทําอะไรพร้อมๆกันหลายอย่างโอ้ยพิเศษแค่ไหนก็ทําไม่ได้หรอกนะจิตใจวอกแวกๆกแวกเครื่องอยู่เยอะเกินไปเหมือนควรมีบ้านหลายหลังนะหาความสงบไม่ได้หรอกใครมีบ้านหลายหลังบ้างไม่ได้ถามว่ามีมีหลายคนนะอืมมีบ้านหลายหลังมีความสุขไหม ยุ่งจะตายชักไปมาบ้านนี้ก็เจอขี้ฝุ่นมาบ้านนี้ก็เจอขี้ฝุ่นเจอขี้ฝุ่นทุกบ้านเลยเพราะไม่มีเวลาดูแลแม่ก็จ้างคนนะจ้างคนมาทํางานเวลานายไม่อยู่บอกี่บ้านมันนี <c oughs> ่บ้านชั้นบ้านชั้นเลยไม่ใช่บ้านเจ้านายเจ้านายไม่เคยอยู่จิตนี่เหมือนกันนะจิตจะมีความสุขนะต้องมีบ้านอยู่อยู่กับอารมณ์แต่อย่ามีหลายหลัง อยู่กับพุโทโธก็อยู่ไปอยู่กับลมหายใจก็อยู่ไปจะแถมพุโทโธกับลมหายใจก็เข้ากันได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจะดูพุโทโธด้วยดูลมหายใจด้วยดูท้องพองยุบด้วยเยอะเกินไปละนื้อมาขยับมือด้วยหายใจเข้าพุทขยับนี้ทีหายใจออกโธขยับอีกทีโอ้ยประสาทกินนะไม่สงบหรอกงั้นเราเลือกอารมณ์นะเลือกอารมณ์สักอันหนึ่งอย่างมากก็ไม่เกินสองพุโทโธกับลมหายใจนี่พอไปได้ เดิจงกรมกับบริกรรมพอไปได้พองยุบกับการบริกรรมเไปได้พองหนอยุบหนョอะไนีเนี่ยพอไปได้อย่าให้เกินสองอนะ่ะอย่าให้เกินสองมากกว่านั้นอนะยุ่งหาความสงบไม่ได้นี่เคล็ดของการทําสมาธินะอยู่ตรงนี้เองงั้นเวลาพวกเราเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะน้อมไปมันจะมุ่งไปดูอารมณ์มันเดียวจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน เวลาอยากจะปฏิบัติเนียสมมตพวกอยากดูจิตเนียเริ่มต้นโดยการหาจิตเนื้อออกไหมเวลาจะดูจิตเนี่ยอยู่ๆดูไม่เป็นเนี่ยหาก่อนจิตอยู่ตรงไหนวะหาๆไปฮะมาแล้อยู่ตรงนี้แหละไปดูไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ส่งจิตไปดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นนะมันจะเริ่มต้นโดยการที่จิตในเข้าไปจับอารมณ์อันเดียวนิ่งๆอยู่ คิดถึงการปฏิบัติที่ใดมันตกมาล่องนี้ทุกทีเลยด้วยความเคยชินที่สะสมมาในสังสารวัตรคิดถึงการทําวิปัสสนากรรมฐานปุ๊บกําหนดพองยุบแล้วกาหนดท้องแล้วกาหนดลมหายใจแล้วกาหนดเดินจงกรมแล้วนะกําหนดมือแล้วนะกําหนด น, น้นกําหนดนี้ตลอดเลยเอาจิตไปจดจ่อไว้ที่ใดที่หนึ่งนะน้อมเข้าไปเลยนะมันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะหลักของการทําวิปัสสนากรรมฐานนะทําไปเพื่ออะไร สมถานะทำไปเพื่อความสุขความสงบนะความสบายนะความดีนะมิปัสนากรรมฐานทําไปเพื่อให้เห็นความจรงิงคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่ไตรลักษณ์ของสิ่งอื่นนะต้องไตรลักษ์ของรูปนามไปเห็นอนัตตาของนิพพานเนี่ยไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานในอนัตตาก็อยู่ในไตรลักษ์ใช่ไหมบอกว่าถ้าถ้าเห็นไตรลักษ์แล้วจะต้องเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเสมอไปต้องดูว่าไตรลักษณ์ของรูปนามเท่านั้น อารมณ์บัญญัติมีใจรักไหมเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดไม่มีใจรักนะงั้นดูไม่ได้เอาไ้ทํำพิปัสนาไม่ได้นะนิพพานไม่มีอนิจจังทุกขังแต่ยังเหลืออยู่ตัวเดียวเหลืออนัตตาจะดูนิพพานเป็นอนัตตาแล้วทํำพิปัสนาได้ไหมทําไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่รูปนามนะต้องดูอารมณ์รูปนามเท่านั้นรูปธรรมนามมาทำซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรา ดูให้เห็นไตรลักษณ์ในวิธีปฏิบัติทำยังไงต้องการให้เราต้องการให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามวิธีปฏิบัตินั่นแรกเราต้องรู้รูปนามสิถ้าไปรู้ของอื่นมันก็ไม่ใช่สิเราจะรู้รูปนามได้นะถ้าเราไม่ใจลอยไปถ้าเราใจลอยเราก็ลืมกายใจลอยเราก็ลืมใจมีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมทำพิปัสน า, มาไม่ได้หรอก เราลืมกายลืมใจไปแล้วเพราะเราต้องรู้สึกตัวนะขั้นแรกเลยอยากทำํำวิปัสนาต้องรู้สึกตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจทําสมถาลืมกายลืมใจได้นะที่กายหายไปเลยเนะหลือจิตดวงเดียวสว่างเต็มโลกธาตุสโลกธาตุไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตดวงเดียวสว่างจ้าอยู่งั้นไม่มีที่หมายมี ει, ม ει, ที่กําหนดเลยไม่มีอะไรให้ดูสมถาทําได้แต่วิปัสนาต้องมีรูปมีน้ําอย่าลืมกายอย่าลืมใจของเรา กายกับใจที่เราจะใช้ดูก็กายกระใจที่เป็นจริงๆของเราตอนนี้แหละอย่างเราจะดูจิตดูใจของเรานะก็รู้เข้ามาเลยว่าจิตใจตอนนี้มันมีความรู้สึกยังไงมันมีอาการยังไงเวลาดูจิตเราดูสองอย่างนะอันแรกดูความรู้สึกของมันรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกรอบโกรธหลงนี้รู้สึกชั่วดูไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตนี่เรียกว่าดูจิตนะอันที่สอง ดูการกระทํางานของมันดูกิริยาอาการของมันเช่นดูวิถีของจิตดูปฏิจจสมุปบาทการที่จิตทํางานสืบต่อกันเป็นช่วงช่วงช่วงไปนั่นเราดูได้2อย่างนะอันหนึ่งดูความรู้สึกอันนึงดูกิริยาอาการของมันนี่ที่ว่าดูจิตดูจิตไม่ไปเพ่งให้นิ่งเริ่มต้นอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งๆก็ใช้ไม่ได้เริ่มต้นก็ลืมจิตตัวเองก็ดูไม่ได้นะ หรือเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมร่างกายก็ทําทำวิปัสสนาไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ทําสมถะได้รนะ่างกายไม่มีลืมมันไปมีแต่ว่าไม่เห็นมันงั้นจุดสําคัญนะถ้าเราจะทํำวิปัสสนากรรมฐานจุดแรกเลยต้องรู้สึกตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมกายก็ทําวิปัสสนาไม่ได้ลืมใจก็ทํำวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราวิปัสสนานั้นเราจะเรียนความจริงของกายของใจของรูปของนาม ใช่ไม่เหมือนสมถะนะสมถะอะไรก็ได้พุโทโธไปเรื่อยไม่มีกายไม่มีใจก็ได้พุโทโธอย่างเดียวเลยให้จิตอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยหรือรู้ลมหายใจแล้วก็ลืมไปเลยร่างกายเป็นไงไม่รู้รู้แต่ลมนะในที่สุดลมสั้นเข้าสั้นเข้ า, ขาลมหยุดไปกลายเป็นแสงสว่างลมหายใจไม่มีให้ดูแล้วกลายไปดูแสงสว่างนี่ลืมกายลืมใจไปหมดเลยนี่สมถะสมถนะนั้นจิตไปอยู่ในร ม, มันเดียวอะไรก็ได้แต่วิปัสสนานั้นต้องรู้กายรู้ใจ ถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราไม่มีโอกาสเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแล้วทำไงเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้จิตต้องเป็นคนดูไตรลักษณ์นั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดของเรานั่นแหละปิดบังไตรลักษณ์ทําให้เรามองไตรลักษณ์ไม่ออกมัวแต่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าจิตของเราหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้นะจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้หลุดจากโลกของความคิดได้ เวลาสติะระลึกรู้รูปจะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราสติะระลึกรู้เอทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สติะระลึกรู้สัญญาคือความจําได้หมายรู้สติะระลึกรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายสติะระลึกรู้จิตเห็นจิตเกิดทางตาจิตเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะเห็นเลยไม่มีตัวเรานะงั้นตัวสําคัญนะเราต้องมาฝึกจิตให้หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่น จิตผ <ide> ู้รู้กับจิตผู้คิดน่ะกลับข้างกันเมื่อไหร่เป็นจิตผู้คิดเมื่อนั้นไม่ใช่จิตผู้รู้เมื่อไหร่เป็นจิตผู้รู้เมื่อนั้นไม่ใช่จิตผู้คิดนะไม่คนละขณะกันถ้าเราจับหลักได้นะว่าถ้ามีจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่จิตผู้คิดให้เรารู้ทันจิตเวลามันคิดคอยรู้ทันเวลาจิตลงไปคิดนะจิตไหลไปคิดทั้งวันรู้สึกไหมจิตคิดทั้งวันงั้นหลักของวิปัสสนานะ ต้องรู้กายรู้ใจถ้าลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสติถ้ารู้กายรู้ใจอยู่ยังมีสติอยู่เรียกว่าสตนะิปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานนะไม่ใช่สติกระจอกงอกง่อยนะแล้วต้องรู้ด้วยจิตที่เป็นคนดูจิตที่ตั้งมั่นหลุดออกจากโลก <c oughs> ของความคิดถึงจะเห็นความจริงความคิดนัน่นแหละปิดบังความจริงนะแล้วเราต้องหลุดออกจากโลก <c oughs> ของความคิดให้ได้วิธีที่จะหลุดออกจากโลกของความคิดนะรู้ทันเวลาจิตไปคิด ทำไงจะรู้ทันเวลาจิตไปคิดต้องซ้อมรู้อยู่ๆไม่รู้หรอกต้องซ้อมนะวิธีซ้อมอาจจะบริกรรมอะไรขึ้นมาก็าได้พุโทโธพุโทโธไปนะแล้วจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ทันอย่างนี้ก็ได้หลวงพ่อเคยใช้วิธีนี้ครั้งแรกเลยที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเมื่อหกกรุมภาสองห้านะไปเรียนกับท่านมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับมากรุงเทพนะตอนที่จะเห็นจิตผู้รู้อะหลวงพ่อสวดมนต์นะ นึกบทสวดมนต์ในใจพุทโธสูตโธกรุณามหั่นนโวเพราะนะั้นบทนี้เพราะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ้วงมหันต์นบฟังแล้วเพลาะเพลาะฟังแล้วรักพระพุทธเจ้านะพุทโธสุสุตโธกรุณามหั่นนโวคิดบทสวดมนต์ไม่ได้แปลภาษาไทยนะคิดบทสวดมนต์เนี่ยมันเห็นเลยบทสวดมนต์นั้นมันไหลออกมาไหลออกมาจากใจเราว่างๆไหล อ, ออกมาจากความว่าง ความคิดเนี่ยผุดออกมาจากความว่างนีเองนะพุโทโธสูดสุดโธกรุณามาฮั่นนาโวความคิดผุดจากสมองไหมนะไปดูให้ดีนะอไม่มีสมองคิดได้ไหมเทวดามีสมองไหมทําไมคิดได้คิดด้วยจิตงั้นะเวลาพุโทโธสูดสุดโธกรุณามหั่นนโวนะเราเห็นกระแสของความคิดเนี่ยไหลขึ้นมาจาก กลางหน้าอกนี่กลางหน้าอกนี่เป็นแค่ความรู้สึกหรอกที่จริงไหลออกมาจากความไม่มีอะไรผุดขึ้นมาจากความว่างๆไม่มีอะไรนะจิตมันเห็นกระแสของความคิดไหลขึ้นมาจิตในขณะนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูแลจิตไม่ได้หลงตามกระแสของความคิดที่ไหลไปจิตก็ดีดตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยเมื่อรู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิด นี่ถ้าดูแบบหลวงพ่อไม่เป็นนะอย่างเราสวดมนต์พุโทโธสุตรสูตโธกรุณามหัสนวโ น, นัเห็นกระแสความคิดไหลขึ้นมานะเหมือนงูเลื้อยออกจากรูนะแต่ไม่มีรูออกมาจากความว่างๆทันทีที่เห็นนะั้นผู้รู้ก็เกิดนะเพราะเราไม่หลงตามความคิดไปถ้าเราทําแบบนี้ไม่ได้เราก็หัดเอานะหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปพุโทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตไปดูท้องพ่องยุบแล้วรู้ทันจิตไป จิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้หรือขยับมืออย่างหลวงประเทียนก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตอย่าไปรู้แต่มือนะขยับไปแล้วคอยรู้ทันจิตไว้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้จับหลักตรงนี้ให้แม่นตัวรู้จะเกิดไปลองทําดูนะถ้าใครยังไม่ได้ตัวรู้ถ้าไม่มีตัวรู้อย่ามาอวดว่าเจริญปัญญาไม่มีหรอกแล้วตัวรู้เนี่ยเป็นตัวอาภัพไม่มีใครใส่ใจมันมีแต่เพ่งนะไปดูท้องพองยบกเ็เพ่งท้อง ไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมไปเดินจงกรมเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็มีเพ่งแต่ขาก็มีนะไปขยับมือก็ไปเพ่งใส่มือมีแต่เรื่องเพ่งเท่านั้นเลยนะั่นเรื่องหอสมถนะแต่ถ้าใจมันดีดตัวขึ้นมาเป็นคนดูแล้วมันจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่พองยุบไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ทางกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทาง e ใจไม่ใช่เรานะ กุศลกุศลทางใจนี่ไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราจิตเกิดดับทางตะวันทั้งหกนะพระเจ้บอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตเที่ยวไปรวดเร็วดวงหนึ่งดับไปเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนี่เราจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตเกิดที่ไหนดับที่นั้นนะจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นนะจิตไม่มีหรอก ที่วิ่งไปวิ่งมานั่นเป็นภาพดวงตาเพราะจิตมันเกิดดับต่อกันเร็ ว, วเราก็เลยรู้สึกจิตเหมืนเคลื่อนที่เหมือนตัวกระตูลนะตัวกระตูนไม่เคยเคลื่อนไหวหรอกเกิดภาพดวงตาเวลามันเกิดดับต่อรูปมันเกิดดับต่อกันเร็วเป็นภาพดวงตานะนั่นหลักของวิปัสสนานะทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามคือไตรลักษณ์จะเห็นความจริงได้ต้องไม่ลืมรูปนามต้องรู้สึกอยู่ในรูปในนามคือในกายในใจของเรานี้สติเป็นคนระลึกรู้ รู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่เป็นตั้งมั่นผู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลนะคือจิตที่มันไม่ตั้งมั่นจิตเป็นไหลไปปุ๊บเรารู้ทันเนี่ยจิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติแล้วมีจิตที่ตั้งมั่นยังไงก็เห็นไตรลักษณ์นะ แต่ถ้ามีจิตตั้งมั่นอย่างเดียวแล้วสติไปจาะอยู่ที่จิตตั้งมั่นเพ่งรักษาตัวรู้อยู่อย่างเดียวไม่เห็นไตรลักษณ์ต้องให้มีสติเนะีเที่ยวไปในขันในธาตุในยตนะของเรานี้นะให้สติมันเที่ยวไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจอย่ามาเพ่งจิตนิ่งๆอยู่บางคนสอนดูจิตสอนผิดนะสอนมาให้เพ่งจิตนิ่งๆอยู่รักษาจิตให้นิ่งไม่เห็นไตรลักษณ์ได้ไงนะเห็นแต่เอกลักษณ์ ดีเหลือเกินวิเศษเหลือเกินประเสริฐเหลือเกินกูเก่งกว่าคนอื่นเนี่ยถ้าไปเพ่งใส่ตัวจิตผู้รู้นะอย่าเพ่งให้มันมีอยู่แต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะเนี่ยมันมีทริคเยอะแยะเลยนะเราค่อยๆฝึกนะอะไรชอบเอ้ยทำงี้ผิดเลยทํางี้ก็ผิดทํางี้ก็ผิดเงี้แล้วมันค่อยถูกเองค่อยๆถูกมากขึ้นมากขึ้นงั้นแยกให้ออกนะถ้าอยากได้มากได้ผลต้องทำํำวิปัสสนา นะแต่สมถะเป็นเครื่องช่วยเครื่องเสริมถ้าไม่มีสมถะหนุนหลังเลยนะไม่ค่อยมีแรงทำมิปัสสนานะแต่บางคนต้องทำสมถะก่อนแล้วมาทำมิปัสสนาด้วยการดูกายหรือเวทนาบางคนดูจิตหรือเจริญธรรมานุ ป, ปั ส, สนาไปก่อนดูกระบวนการทำงานของมันไปก่อนนะแล้วสมาธิเกิดทีหลังนะสมถะเกิดทีหลังอย่าง น, นี้ก็มี บางคนทาสมาธิกับปัญญาควบกันเลยทำให้ศาสนาในชานะอันนี้ทํายากหน่อยทําได้หลายแบบนะแต่ถ้าเราจะดูจิตให้รู้ไปเลยจิตเป็นไงก็รู้ไปเลยนะดูง่ายๆในสุดจะเห็นความจริงธาตุขันธ์ทั้งหลายไม่มีตัวเราถ้าเห็นตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันธาตุขันธ์ทั้งหลายมีแต่ทุกข์เห็นตรงนี้ได้นะก็เป็นพระอระหันต์น ะ, ะเชิญไปทานข้าว